ร่ักของผีสาวกับพลตำรวจฟังดูเหมือนเรื่องราวที่เขียนขึ้นมาจากจินตนาการนะคะให้คำว่าผีน่าเกลียดน่ากลัวเรื่องนี้ขอบอกไว้ก่อนเลยว่าไม่ใช่นิยายหรือว่าเรื่องเล่าที่กุขึ้นมาเองแต่ว่าเป็นเรื่องจริงค่ะที่ได้เกิดขึ้นมาแล้วกับผู้พิทักษ์สันติราชขณะเข้าเวรในป้อมยามแล้วก็แท็กซี่ที่เจอผีสาวตนนี้โบกมือขอโดยสารมาแล้วนะคะ พูดได้คําเดียวว่าเรื่องผีสาวกับพลตํารวจจากบันทึกของพันุ์โทชอบอําผู้นันที่เราไปค้นคว้ามาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์จริงแล้วก็มีสถานที่จริงค่ะบอกกันตรงๆนะคะว่าทั้งสนุกแล้วก็ตื่นเต้นทําให้ขนหัวลุกนะคะจนคุณผู้ฟังหลายๆคนอยากจะให้เหตุการณ์ในคืนนั้นเกิดขึ้นกับคุณผู้ฟังบ้างก็เป็นได้ค่ะสําหรับตัวของบีเองคงไม่เอาด้วยไม่เล่นด้วยแน่นอนนะคะ เรื่องมีอยู่ว่านายทองขาวดีเสมอพี่ชายของพระใช้อารคโตวัดดาวเรืองจังหวัดปทุมธานีค่ะซึ่งตอนนั้นก็มีอาชีพขับแท็กซี่ในคืนนั้นเวลาประมาณตีหนึ่งเมื่อประมาณซัก 40-50 ปีที่แล้วนะคะซึ่งอากาศในกรุงเทพตอนนั้นก็ค่อนข้างเย็นสบายค่ะขณะวิ่งรถ มาถึงบริเวณวงเวียน22กรกฎาก็ปรากฏว่ามีร่างของหญิงสาวคนหนึ่งหน้าตาสวยรูปร่างดีค่ะโบกมือให้จอดรถไก่หรือเปล่านายทองข่าวก็เพียงแค่คิดนะฮะแต่ว่าก็จอดรถรับโดยเธอก็ไม่ได้ต่อรองราคาซึ่งสมัยนั้นไม่มีมิเตอร์เหมือนปัจจุบันนะฮะบอกแต่เพียงว่าจะไปสนามม้านังเลิงพอรถวิ่งไปถึงมุมสนามม้านังเลิงเธอก็บอกว่าให้ไปส่งที่หน้าวัดเบญจมบพิธค่ะ บริเวณนั้นมืดแล้วก็เงียบจนวังเวงพอรถจอดนายทองขาวก็หันหน้าไปมองเบาะหลังโดยหวังว่าจะขอค่าโดยสารนะคะแต่ก็ปรากฏว่าเบาะหลังที่หญิงสาวคนนั้นนั่งมาค่ะว่างเปล่าประตูด้านข้างก็ปิดปกติไม่ได้ยินเสียงเปิดและเสียงปิดประตูอะไรเกิดขึ้นนายทองขาวก็มีความรู้สึกเอะใจขึ้นมานิดๆล่ะช่วงนี้ แต่เพื่อความแน่ใจค่ะนายทองขาวก็เลยต้องเดินลงไปดูตรงประตูทางเข้าวัดตรงนั้นเป็นประตูเหล็กใส่กุญแจไว้อย่างแน่นหนาก็เลยเดินหาจนทั่วก็ไม่มีร่างของหญิงสาวคนนั้นแต่แล้วนายทองขาวก็เริ่มคิดคืออะไรเป็นอะไรก็มองซ้ายมองขวา ดูบรรยากาศมันก็วังเวงรู้สึกเหมือนมีสายตาลึกลับกำลังมองแล้วก็หัวเราะเยาะเขาอยู่ยิ่งคิดก็ยิ่งขนหัวลุกสู้ขึ้นมาค่ะแล้วก็ในตอนนั้นนั่นเองเสียงสุนัขที่หากินอยู่ภายในวัดก็หอนขึ้นมาแบบโหยหวนเย็นเยือกมันหอนรับกันขึ้นมาเป็นทอดๆเย็นวาบถึงหัวใจ นายทองขาวคิดอย่างมั่นใจแล้วว่าตัวเองเจอผีเขาให้แล้วก็เลยรีบเผ่นไปขึ้นรถขับออกจากบริเวณนั้นอย่างรวดเร็วแล้วก็ไม่ยอมมองมาทางเบาะหลังเพราะว่ากลัวจะเจอสิ่งที่เขาไม่อยากเจอคะ่ะจนกระทั่งถึงบ้านพักนะคะพอจอดรถเสร็จก็รีบเดินไปเคาะประตูเรียกนางผาดผู้เป็นภรรยาภรรยาก็บอกอา้าวพี่ทำไมรีบกลับล่ะ นายทองขาวก็มองหน้าภรรยาพลางนึกคิดว่าจะบอกดีหรือไม่บอกดีว่านะคะด้วยสีหน้าตื่นๆ่นแต่ว่านางผาดก็เค้นถามจนยอมเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้ฟังตั้งแต่ต้นจนจบภรรยาของนายทองขาวก็เลยต่อว่าไปบอกว่ารับไม่ดูตาหมาต า, า, ตาเรือเห็นเป็นผู้หญิงไม่ได้นางผาดก็ พูดแบบประมาณสมน้ำหน้าสามีนะคะซึ่งนายทองข่าวเองหลังจากวันนั้นเจอเพื่อนอาชีพเดียวกันก็เล่าเรื่องนี้ให้ฟังเป็นเรื่องเป็นราวจนโด่งดังไปนในกลุ่มคนขับแท็กซี่ค่ะเวลาผ่านไป5วันนะคะนายทองข่าวก็ได้ไปเยี่ยมบิดามารดาซึ่งอยู่ข้างวัดเทพศรินทราวาตแล้วก็ในวันนั้นก็ได้ขึ้นไปตัดกิ่งต้นแก้วที่ยื่นออกมาระชายคาบ้านเป็นเหตุให้นายทองข่าวพลัดตกลงมาหัวกระแทกพื้นคอหักดับคาที่ ซึ่งดูแลไม่น่าจะถึงขั้นเสียชีวิตนะคะเพราะว่าจากที่นายทองขาวหล่นลงมานั้นสูงเพียงเมตรเดียวเรื่องการตายของนายทองขาวที่น่าสนใจก็คือคําทํานายของพระสงค์รูปหนึ่งที่วัดศิีละขันต์อำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองซึ่งเป็นบ้านเดิมของครอบครัวนายทองขาว ก่อนที่จะเดินทางเข้ามากรุงเทพก็ได้ทำนายไว้ไะมฮะว่านายทองขาวจะมีอายุอยู่ถึง37ปีก็ให้ระวังตัวให้ดีนะเดี๋ยวจะโดนผีหักคอจนถึงแก่ความตายแล้วการตายของนายทองขาวก็ตรงตามคำทานายของพระรูปนั้นพอดีเป๊ะเลยนะคะแสดงว่านายทองขาวไม่ได้ตายเพราะอุบัติเหตุแต่ว่าเขาตายเพราะผีสาวตนนั้นทำให้ตายหรือเปล่านะคะผีสาวคนสวย ยังไม่หยุดอรารวาสเพียงแค่นี้คุณผู้ฟังมันยังสำแดงฤทธิ์ออกเดทตามล่าหาเหยื่อในยามดึกปลอดจากสายตาผู้คนค่ะแล้วมันก็จะปรากฏตัวในทุกแห่งที่มันเห็นผู้ชายจนต่อมาในวันหนึ่งที่ป้อมยามตรงสะพานสีอยุธยาข้างวัดเบญจมาบพิษเป็นเวรของพลตํารวจหนุ่มรูปร่างหน้าตาดีคนหนึ่งมาเข้าเวรรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนในละแวกนั้นพอตกดึกอากาศยามนั้นก็กําลังเย็นสบายล่ะนะคะ พลปรากฏร่างของหญิงสาวรูปร่างอวบขาวหน้าตาดีเดินเข้ามาทักทายแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนคุยจนมีความคุ้นเคยสนิทสนมแล้วก็กลายเป็นความชอบพอค่ะกระทั่งต่อมาในคืนวันหนึ่งหลังจากออกเวรแล้วหญิงสาวก็ได้ชวนไปเที่ยวที่บ้านพักของเธอซึ่งก็อยู่ไม่ห่างจากป้อมยามเท่าไหร่นักหวานละพลตารวจหนุ่มที่กาลังอยู่ในวัยห้านะคะก็ได้คิดไว้แบบนั้น แล้วทั้งสองก็ลงเอยด้วยความรักที่หวานชื่นนั่นคือมีสัมพันธ์สวัสดอย่างมีความสุขหลายครั้งต่อหลายครั้งค่ะคือหมายความว่าเข้าเวรทุกครั้งเมื่อออกเวรก็จะลงลงเอยด้วยสัมพันธ์สวัสดทุกครั้งไปแต่ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นพลตำรวจหนุ่มก็ปิดสนิทค่ะไม่ยอมแย้มให้ใครรู้แม้แต่เพื่อนที่อยู่โรงพักเดียวกันเพราะว่าปกติก็จะเป็นคนพูดน้อยอยู่แล้วนะคะ จนกระทั่งต่อมาเกิดข่าวลือจากตำรวจคนอื่นๆที่เข้าเวรในป้อมยามดังกล่าวบอกว่าพอตกดึกก็จะมีผีผู้หญิงหน้าตาดีออกมาปรากฏตัวหลอกหลอนจนไม่มีใครกล้าไปเข้าเวรที่ป้อมยามดังกล่าวข่าวลือนี้ไปเข้าหูพลตำรวจหนุ่มรูปหลอกก็เลยฉุกคิดขึ้นมาได้ว่าเอ๊ตอนเองก็เคยขอนอนพักผ่อนในบ้านหญิงสาวจนกว่าจะสว่างเธอก็ไม่เคยยอมเลยแม้สักครั้ง พอสำเร็จกิจแล้วเธอก็จะให้กลับออกจากบ้านของเธอทุกครั้งเคยขอไปหาตอนกลางวันเธอก็ไม่ยอมหรือว่าเธอจะเป็นผีก็นึกได้แบบนี้ในใจก็คิดวัดใช่แน่ๆเป็นผีแน่ๆทีนี้ความรู้สึกก็เริ่มสับสนล่ะผุดขึ้นมากับเวลาที่อยู่กับผู้หญิงสาวผู้มากับรัติการแล้วก็อะไรหลายๆอย่างที่เขาแล้วก็เธอผู้นั้นมีต่อกันอย่างดูดดื่มจนลืมไม่ลง และเพื่อความแน่ใจจะต้องพิสูจน์ด้วยวิธีการต่างๆไม่ว่าจะเป็นหลังออกเวร น, นะคะก็ได้ไปหลับนอนที่บ้านของหญิงสาวพลตำรวจผู้เคราะห์ร้ายก็ได้พยายามจำเส้นทางแล้วก็สิ่งแวดล้อมจากป้อมยามมาที่บ้านพักของเธอหวังจะย้อนกลับไปดูตอนสว่างแต่ก็ปรากฏว่าจำเส้นทางไม่ได้ะคะ่ะเพราะว่าทุกอย่างได้เปลี่ยนแปลงไปหมดไม่มีอะไรให้สะดุดตาเลยแม้แต่น้อย คืนต่อมาค่ะพลตำรวจหน้าตาดีคนนั้นก็ยังคงพยายามพิสูจน์หาความจริงให้ได้ก็ไม่ยอมลดละละ่ะคราวนี้ก็พยายามนับก้าวแต่ละก้าวจากป้อมยามไปถึงบ้านของหญิงสาวผู้มากับรัติการและขออยู่ที่บ้านกับเธอจนกว่าจะสว่างก็โดนขับไล่ออกจากบ้านก่อนพระอาทิตย์ขึ้นนะคะ เมื่อพยายามทำทุกอย่างเพื่อค้นหาความจริงแต่ไม่สามารถทำได้ทำให้เกิดความรู้สึกนึกคาใจจนไม่อาจจะทนต่อไปได้ก็เลยถามหญิงสาวคู่สวัสดตรงๆบอกว่านี่เธอถามจริงๆเถอะนะว่าบ้านเธอหลังนี้เนี่ยมันอยู่ที่ไหนเมื่อตอนกลางวันผมมาหาคุณที่บ้านแต่หาไม่พบหายังไงก็ไม่พบถามใครก็ไม่มีใครรู้ผู้หญิงคนนั้นก็เลยยิ้มค่ะก่อนจะกล่าวออกมาเป็นปริศนาบอกว่าก็เธอหาบ้านของฉันไม่ถูกนะสิพร้อมกับ กระแสะร่างเข้ามาโอบกอดพลตํารวจหนุ่มคนรักนะคะแล้วก็ในที่สุดก็ลงเอยค่ะด้วยความดื่มด่าสุดจะห้ามใจเช่นทุกคืนนะคะความสงสัยและก็คาใจของตํารวจหนุ่มก็มีมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยนะคะคืนไหนที่เขาเข้าเวรเธอก็จะมาหาตรงเวลาเป๊ะทุกครั้งไม่เคยพลาดแม้แต่วินาทีเดียวเธออาศัยความสวยและมายาหญิงยั่วยวนเชิญให้ไปหลับนอนที่บ้านพักของเธอเช่นทุกครั้ง ผลตำรวจที่มีความสัมพันธ์สว่์กับหญิงสาวผู้มากับรัติการนะคะที่มีแต่ความมืดคอยแกล้งถามถึงบิดาแล้วก็มารดาของเธอรวมถึงญาติพี่น้องเธอก็จะพูดจาบ่ายเบียงไม่ยอมตอบค่ะ แต่พอขอมาหาตอนกลางวันเธอก็ห้ามไม่ให้มาหาด้วยเหตุผลต่างๆยกมากล่าวอ้างพยายามทำเครื่องหมายบนเส้นทางที่ผ่านตลอดตอนออกจากบ้านของผู้หญิงสาวแต่พอกลางวันกลับย้อนไปหาดูปรากฏว่าเครื่องหมายเหล่านั้นก็อันตรธานหายไปอย่างหมดสิ้นนะคะจนในที่สุดค่ะก็เลยเชื่ออย่างสนิทใจว่าหญิงสาวอนันนันเนี่ยคนที่เป็นคนรักของตัวเองนี่แหละนะคะคงไม่ใช่คนธรรมดาสามัญแล้วหล่อนคือผีแน่นอน ต่อมาพลตํารวจคนนี้ก็เลยทําเรื่องย้ายไปประจําที่สอนอนนางเลิ้งอย่างเงียบๆไม่บอกกล่าวให้ผีสาวรู้ระแคะระคายแม้แต่น้อยกลัวจะตามไปรังควานอีกแต่ว่าความคิดของเขาผิดถนัดค่ะเพราะว่าผีสาวก็เที่ยวหาจนพบกระทั่งต่อมาพลตํารวจผู้น่าสงสารคนนั้นก็ไปไม่รอดค่ะอยู่ๆก็ได้ล้มป่วยลงอย่างไม่รู้สาเหตุแล้วก็เสียชีวิตลงไปในที่สุดนะคะจากนั้นเป็นต้นมาผีสาวก็ไม่ปรากฏตัวที่ไหนอีกเลย คุณผู้ฟังทั้งหลายคนนะคะได้ฟังแบบนี้แล้วรู้แล้วหากเจอเหตุการณ์แบบนี้ควรจะทําอย่างไรสําหรับตัวของ B เองนะคะก็ไม่มีคําตอบเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นสิ่งที่เกิดเฉพาะตัวบุคคลนะคะแล้วก็วิธีการแก้ปัญหาวิธีการป้องกันก็แล้วแต่บุคคลนะคะบางคนก็อาจจะหาพระบางคนก็อาจจะขอย้ายดีไม่ดีอาจจะลาออกจากตารวจไปเลยก็ได้ค่ะพูดถึงเรื่องของผีที่ตํารวจได้เจอนะคะจน ผีผู้หญิงคนนี้เนี่ยเอาตำรวจไปอยู่ด้วยคาดว่าน่าจะเป็นสามีภรรยากันในโลกของวิญญาณ น, นั่นแหละนะคะ ทีนี้เรื่องของผีวิญญาณเปรตสัมภเวสีอสุรกายหรือโอปติกะเนี่ยนะคะมีจริงแต่ไม่อาจจะพิสูจน์ในทางวิทยาศาสตร์ได้เพราะว่าไม่มีตัวตนซึ่งผีก็เป็นเพียงพลังงานชนิดหนึ่งที่มีอํานาจมีฤทธิ์เหนือธรรมชาติก็เลยยากแก่การพิสูจน์นะคะจะเห็นตัวตนของพวกเขาก็ต่อเมื่อมาปรากฏตัวเพื่อต้องการบอกกล่าวหรือเพื่อหลอกหลอนแล้วก็จุดประสงค์หนึ่งจุดประสงค์ใดของพวกเขามีเรื่องของคุณวิสุทธิ์หานชนะค่ะ ่คุณวิสุทธิ์หานชนะเนี่ยเป็นหนุ่มนักธุรกิจที่ต้องเดินทางไปต่างจังหวัดบ่อยๆไม่ว่าจะเป็นทางภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกภาคใต้เรียกว่าไปทั่วทุกภาคแล้วที่ประเทศไทยก็ไปพัก ค้างแรมที่โรงแรมนะคะก็เป็นระดับกลางคือไม่หรูจนเกินไปแล้วก็ไม่แย่จนเกินไปจนไม่น่านอนค่ะส่วนมากนักธุรกิจที่เดินทางไปจากภาคกลางก็นิยมพักกันก็จะเป็นโรงแรมที่มีความสะอาดบริการใช้ได้มีความปลอดภัยในทรัพย์สินและก็ชีวิตนะคะ ผู้คนไม่พลุกพลานจนเกินไปค่ะในจังหวัดหนึ่งๆก็จะมีอยู่เพียงไม่กี่แห่งเท่านั้นโดยคุณวิสุทธ์เล่าให้ฟังว่าขณะที่นั่งรับประทานอาหารอีสานย่านเชิงพระรามอ่าสะพานพระราม5ที่นนท บ, บุรีค่ะหลังจากวิสกี้ผ่านลาคอไปเพียงแก้วแรกคุณวิสุทธ์ก็เลยพูดคุยกับเพื่อนที่นั่งอยู่ด้วยกันนะคะถามเพื่อนไปบอกกลัวผีหรือเปล่า อยู่ๆคุณวิสุทธ์ก็ถามขึ้นมายังไม่มีต้นสายปลายเหตุค่ะทีนี้เพื่อนก็งงเล่นถามอะไรแปลกๆซึ่งเพื่อนเองเก็เป็นคนกลัวผีอยู่แล้วด้วยก็เลยย้อนถามกลับไปบอกได้ถามทําไมถามอะไรแปลกๆไม่มีเรื่องจะคุยแล้วเหรอก็ตอบคุณวิสุทธ์ไปเพียงแค่นี้ก็ไม่อยากจะฟังเรื่องผีเพราะว่าเป็นเวลากลางคืนด้วยซึ่งขณะที่นั่งคุยกันนะคะผู้ที่เล่าเรื่อ ง, องคุณวิสุทธ์ให้ฟังเนี่ยบอกว่าเป็นเวลาประมาณทุ่มครึ่งเห็นจะได้ คุณวิสุทธ์ก็เลยบอกเอาเธอเรื่องนี้ไม่เคยเล่าให้ใครฟังเลยก็อยากจะมาระบายออกบางส่วนส่วนจะเชื่อหรือไม่นั้นก็เป็นเรื่องของนายอันที่จริงเรื่องนี้มันเกิดขึ้นมาหลายปีแล้วแต่จำได้ว่าครั้งหนึ่งในปีพุทธศักราช2546ถึงขณะนี้นะคะก็ผ่านมาแล้วหลายปี คุณวิสุทธ์เล่าต่อไปอีกนะะีะบอกว่าตัวเองต้องเดินทางไปทำธุรกิจที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะซึ่งจริงๆจังหวัดนี้มันอยู่ไม่ห่างจากกรุงเทพเท่าไหร่นักน ะ, ะ่ะรถเนี่ยก็จะวิ่งไม่กี่ชั่วโมงก็จะถึงจังหวัดกาญจนบุรีแล้วแต่ว่าคุณวิสุทธ์เนี่ยเป็นคนขับรถช้าทำนองว่าขับไปเรื่อยๆไม่รีบร้อนภาษาคนขับรถด้วยกันจะพูดว่าขับกินลมชมวิว คนขับรถช้าห้ามแหลมออกมาวิ่งเลนขวาเป็นอันขาดขืนออกมาก็ได้พรนะคะคือขุดโคตรบรรพบรุษขึ้นมาด่าแน่นอนจากคนขับรถด้วยกันนะคะซึ่งคุณวิสุด ก็คงจะรู้แหะค่ะก็เลยขับชิดซ้ายไปตลอดทางไม่มีเสียงด่าแต่ว่าก็ต้องขับระวังสุดๆเหมือนกันเพราะว่าอาจจะมีรถบรรทุกจอดนอนหรือว่าจอดข้างทางเพื่อลงไปยิงกระดาษายกลางทางนอกจากนี้ก็ยังต้องระวังรถมอเตอร์ไซค์ซึ่งอาจจะโผล่ออกมาจากข้างถนนยังไงก็ดีค่ะก็ยังดีกว่าขับรถสิ้นประมาณ120ขึ้นเนี่ยนะคะขับอย่างนี้พลาดเมื่อไหร่ไม่พิการก็ศพไม่สวยแน่นอนทีนี้คุณวิสุทธิ์บอกว่าขับรถมามากกว่า20ปีไม่เคยเกิดอุบัติเหตุสักครั้ง ก็ขับระวังและขับช้าทําให้ซวยจริงๆอุบัติเหตุก็เกิดยากแต่กับเรื่องรถไปเสียกลางทางเนี่ยมีบ่อยครั้งจนชาชินไปแล้วซึ่งก็เป็นเรื่องธรรมดาของรถมือสองที่คุณวิสุทธิ์ขับนะคะแต่ถ้าหากว่าเป็นรถป้ายแดงก็เสียกลางทางก็ต้องถือว่าเจ้าของรถหรือคนขับเนี่ยมหาซวยแล้วค่ะเพราะว่ารถป้ายแดงจะเสียกลางทางให้เสียชื่อบริษัทผู้ผลิตนั้นแทบจะไม่มีเปอร์เซ็นต์เป็นไปได้ด้วยซ้ํา คืนนั้นคุณวิสุทธ์บอกว่าได้พักที่โรงแรมแห่งหนึ่งในตัวเมืองที่บรรดา น, นักธุรกิจไปพักกันที่นั่นเพราะว่าราคาไม่แพงจนเกินไปแล้วก็ถูกจนน่าเกลียดค่ะวันนั้นโชคดีที่แขกเข้าพักไม่มากถึงห้องว่างอยู่หลายห้องให้เลือกโดยเฉพาะชั้นบนก็คือชั้นสามซึ่งดูเงียบแล้วก็วังเวงนะคะคุณวิสุทธ์ก็ชอบค่ะความเงียบชอบอที่คนไม่พลุกพลานนะคะ ก็เลยเลือกเอาห้องบนชั้น3เลข1นึสค่ะเป็นเลขเรียงเลยนะคะหลังจากยกสัมภาระเข้าห้องพักเรียบร้อยก็อาบน้ําแต่งตัวเพื่อไปเดินเที่ยวตามประสาคนหนุ่มทั่วไปพร้อมกับแวะทานอาหารและก็สิ่งที่ขาดไม่ได้คือก็ต้องมีการนั่งดื่มนั่งอะไรบ้างละจนกระทั่งเวลาสี่ทุ่มเศษก็เดินทางกลับโรงแรมค่ะ แต่ว่าบังเอิญได้เจอกับพนักงานของโรงแรมซึ่งวันนั้นเขาไม่ได้เข้าเวรกะกลางคืนก็เลยนั่งคุยสารพัดเรื่องทั้งการเดินทางไปทําธุรกิจในจังหวัดต่างๆวิสุ์เป็นคนที่ชอบคุยอยู่แล้วก็เลยเป็นฝ่ายชวนคุยซะมากกว่าพนักงานโรงแรมคนนั้นก็ฟังแบบตั้งใจจนลืมเวลากลับบ้านพักเหมือนกัน จากเรื่องธุรกิจเป็นเรื่องสถานเที่ยวนะคะสถานบันเทิงเริงใจค่ะแล้วก็ไม่ได้หนีไกลจากเรื่องขาอ่อนขาอูดอะไรประมาณนี้เลยคุยเรื่องอะไรก็ไม่สนุกและตื่นเต้นเท่าเรื่องอย่างว่าคุณวิสุทธ์ก็เลยเล่าต่อไปบอกกําลังคุยเรื่องขาอ่อนแถวพัทยาให้พนักงานโรงแรมน่าหลอกคนนั้นฟังในขณะที่คุยแบบสนุกสนานอยู่นั้นพนักงานโรงแรมคงคิดเรื่องที่เกิดขึ้นมีทั้งเสียวสยองและขนลุกขนพองมาคุย เรื่องเด็กเสริรบของโรงแรมโดนแทงตายในลิฟต์ของโรงแรมที่คุณวิสุทธ์นอนเช่าครั้งแรมนั้นแหละนะคะคนที่โดนแทงตายในลิฟต์นี่เป็นเด็กเสริรบหน้าตาสวยด้วยทั้งยังเป็นคนเรียบร้อยมีสเสน่ห์ผิวขาวรูปร่างสูงอวบค่ะแล้วก็ความเป็นคนสวยหน้าตาดีของเธอนั่นเองก็เลยเป็นภัยสําหรับเธอเนื่องจากมีชายหนุ่มแล้วก็ไม่หนุ่มนะคะมาคอยตือ้อคอยจีบคอยรับคอยส่งไม่ซําหน้าบ้างก็ขอแต่งงานด้วย ในวันที่โดนแทงเนี่ยเป็นวันที่เธอออกเวรแล้วกำลังจะเดินทางกลับบ้านพอดีได้เจอกับคนรักเก่ามาคอยดักเธออยู่ก่อนหน้าที่ตรงหน้าลิฟต์บนชั้น3ซึ่งเป็นคำสารภาพนะคะของมือมีดต่อเจ้าหน้าที่สอบสวนในเวลานั้นค่ะคนแทงเนี่ยชื่อสมชายซึ่งเคยชอบพอกันกับคนตายมาเป็นเวลาหลายปีค่ะแล้วก็ตัวเองก็ได้ทุ่มเทความรักให้กับผู้หญิงคนนี้เพียงผู้เดียวอยู่ๆโดยไม่คาดคิดมาก่อน สมพิตนี่อันนี้เป็นชื่อสมมุติของผู้หญิงที่เสียชีวิตนะคะก็บอกเลิกเอาดือด้ออย่างไม่มีเหตุผลเมื่อเจอความรักมันหักอกแทบบ้าตายแบบนี้เป็นใครก็ต้องเจ็บปวดอย่างคิดหนักละค่ะสมชายก็พยายามถอดใจและคิดว่าเมื่อเขาไม่รักเราแล้วเราจะไปรักเขาทำไม เขาคิดและคิดเอาธรรมะเข้าข่มใจทำให้ได้สติขึ้นมาบ้างในช่วงระยะเวลาสั้นๆก็กลับมาคิดใหม่ค่ะพยายามทําใจอยู่เป็นเดือนแต่ก็ไม่อาจจะถอดใจออกจากสมผิดได้ก็เลยมาง้อขอคืนดีจะให้ทําอย่างไรก็ได้ยอมทุกอย่างขอเพียงให้เหมือนเดิมหมายถึงอยู่ในฐานะแฟนอย่างที่เคยเป็น น, นะคะสมชายได้สารภาพกับตารวจต่อไป ว่าอ้อนวอนอย่างไรขออย่างไรสมพิดก็ไม่ยอมคืนดีด้วยแถมยังได้ขับใส่ไล่ส่งที่สำคัญห้ามเข้ามาบริเวณโรงแรมที่ทำงานอีกด้วยความรักมาผิดหวังจนกลายเป็นความแค้นบวกกับอารมณ์โมโหสุดขีดในชั่ววูบเมื่อกูไม่ได้คนอื่นก็อย่าหวังว่าจะได้คิดเพียงแค่นี้เลยค่ะสมชายผู้ผิดหวังก็กระชากมีดปลายแหลมที่เตรียมมาก็ได้นแทงตรงหน้าอกของ สมพิษจนเสียชีวิต3ครั้งเลยนะคะจากนั้นก็พละออกจากลิฟต์แล้วก็หนีไปทางด้านหลังของโรงแรมค่ะคุณวิสุทธ์คิดว่าพนัก ง, งานโรงแรมคนนั้นจะจบเพียงเท่านั้นยังมีเรื่องเล่าต่อคุณผู้ฟังเป็นเรื่องที่แบบทำให้ขนลุกขนพองอีกเหมือนเหมือนจะตอกย้ำนะคะให้คุณวิสุทธ์กลัวซึ่งคุณวิสุทธ์ไม่ค่อยจะกลัวเรื่องผีผีสางๆอยู่แล้วเขาก็จะพูดเสมอบอกผีไม่มีในโลกอะไรงนี้ พนักงานโรงแรมคนนี้ก็บอกมันเฮี้ยนมากเลยนะพี่แขกที่มาพักโรงแรมเนี่ยมักจะเจอเข้าก็จะทำเป็นไปเยี่ยมเยียนทักทายกันโดยเฉพาะคนหน้าตาดีๆอย่างที่หล่อนชอบเนี่ยก็2ยามแล้วพี่ก็กลับขึ้นไปนอนพักผ่อนเถอะนะยิ่งวันนี้แขกมาพักน้อยซะด้วยมันเงียบมากนะพี่อ๋อพี่มีเพื่อนขึ้นลิฟต์ด้วยหรือเปล่าพนักงานก็ถาม นี่พูดเล่นหรือพูดจริงคุณวิสุ์บอกนะคะก็คิดแม้ไม่กลัวผีแต่ก็มีความรู้สึกเสียวเหมือนกันก็เลยพูดออกไปกับพนักงานโรงแรมคนนั้นบอกนี่คุณจะเล่าเรื่องผีให้ผมกลัวหรอครับไม่มีทางหรอกเพราะผมเป็นคนไม่กลัวผีต่อให้คุณเล่าน่ากลัวขนาดไหนผมก็ไม่กลัวหรอกพนัก ง, งานก็ยิ้มแล้วก็พูดให้พรบอกงั้นขอให้พี่จงโชคดีเจอจังเลยนะพี่นะ คุณวิสุทธ์หัวเราะเสียงดังค่ะที่พนักงานโรงแรมคนนั้นมีความคิดงมงายไร้สาระพลางคิดในใจว่าเออผีมันมีที่ไหนหลอกใครไม่หลอกมาหลอกคนอย่างวิสุทธ์ผิดคนแล้วน้องเ อ, อ้ยจากนั้นคุณวิสุทธิ์ก็เดินขึ้นไปที่ลิฟต์นะคะเพื่อจะขึ้นไปชั้น3าก็มีป้ายเขียนบอกไว้ว่าลิฟต์เสียก็เลยไปใช้ตัวที่อยู่ถัดไปและมันก็บังเอิญค่ะลิฟต์ตัวนั้นเป็นตัวเดียวกันกับที่พนัก ง, งานเสิร์ฟถูกแทงตายสดสดร้อนๆคุณวิสุทธ์นะคะยังไม่รู้ตัวค่ะว่าเป็นลิฟต์อัน น, น ทีนี้ใจของคุณวิสุทธ์ตอนนั้นคิดแต่เรื่องราวของผีสาวคนสวยที่ล่ำลือปรากฏตัวให้คนโน้นเห็นคนนี้เห็นนะคะกอ็อยากจะหัวเราะอยากจะเจอจะจะก็คิดในใจพอลิฟต์ขึ้นไปถึงชั้น3าอันเป็นชั้นที่เขาเช่าห้องพักไว้นะคะคุณวิสุทธ์ก็กดให้ลิฟต์เปิดออกแล้วเขาก็ได้พบผู้หญิงสาวที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนยืนอยู่หน้าลิฟต์ผู้หญิงคนนี้หน้าตาสวยนะ ผิวขาวรูปร่างอวบสูงแต่พองามค่ะแต่ว่าใส่เสื้อผ้าสีเดียวกันกับที่พนัก ง, งานหนุ่มคนนั้นเล่าให้ฟังคุณวิสุทธิ์ก็ไม่ได้คิดอะไรเพียงเข้าใจว่ามีคนมายืนรอลิฟต์เพื่อจะลงไปชั้นล่างก็เลยเดินผ่านไปที่ห้องพักตามปกติพอไปถึงห้องแล้วก็ปิดประตูล็อกกลอนเพื่อความปลอดภยัยแล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้าอาบน้ําอีกครั้งหนึ่งอันเป็นเรื่องปกติวิสัยของมนุษย์ทั่วไปเนีคะเพื่อจะให้ตัวเองเนี่ยนอนหลับสบาย หลังจากนั้นเขาก็ล้มตัวลงนอนค่ะขณะกําลังเคลิมเครื่องหลับเครื่องตื่นก็มีเสียงคนเดินสวมสับสวมสับมาหยุดอยู่ที่หน้าห้องพักรูหนึ่งก็มีเสียงเหมือนคนมาเคาะประตูนะคะแล้วก็เงียบไปด้วยความสงสัยก็ไม่ได้พูดอะไรเพียงแต่คิดว่าใครมาเคาะประตูว่าไม่มีมารยาทเอาซะเลยนี่มันกี่โมงกี่ยามเข้าไปแล้วเอหรือว่าผู้หญิงอย่างว่ามันมาหาคู่นอนอไม่เอาดีกว่าไม่นานก็มีเสียงเคาะประตูดังขึ้นอีกสองครั้งเหมือนเดิมค่ะ รำคาญจริงโว้ยใครวะคิดในใจพร้อมกับผุนผันลุกขึ้นจากเตียงนอนแล้วก็เดินไปที่ประตูก่อนจะเปิดประตูก็ได้ตะโกนถามออกไปถามบอกว่าใครแต่ว่าทุกอย่างคือเงียบเมื่อมองดูตามแมวที่ประตูทางโรงแรมทําไว้ก็เห็นแวบๆบแบบไม่ชัดนักแต่เหมือนคนด้วยความแน่ใจก็เลยตะโกนถามออกไปบอกใครมีธุระอะไรกับผมคุณวิสูิรเป็นคนไม่กลัวอะไรอยู่แล้วนะคะเมื่อถามออกไปว่าใครอยู่ข้างหน้าประตูทุกอย่างเงียบ ก็เลยตัดสินใจค่ะเปิดประตูพัวออกไปดูหน้าประตูห้องไม่มีใครมองไปด้านซ้ายและด้านขวาก็มีแต่ความว่างเปล่าท่ามกลางแสงไฟสว่างนวลแทบจะมองเห็นทุกอย่างเฮ้ยใครมาล้อเล่นวะเมื่อไม่มีอะไรก็กลับเข้าไปนอนครู่เดียวเท่านั้นก็มีเสียงเหมือนคนเดินมาหยุดอยู่หน้าห้องพร้อมกับเคาะประตูอีกคุณวิสุทธ์ก็เลยบอกหยุดเล่นตลกได้แล้วนะโว้ยคนจะนอนมันไม่ใช่เรื่องสนุกเลยนะแน่จริงอย่าหนีสิเขาตะโกนเสียงดังแล้วก็เดินย่อง ไม่ให้มีเสียงไปที่ประตูพร้อมกันนั้นก็เปิดประตูออกไปนะคะเพื่อจะดูหน้าไอ้โรคจิตคนนั้นว่าเป็นใครแต่เขาก็ต้องใจหายวาบค่ะเพราะว่าไม่มีอะไรเลยไม่ว่าจะมองไปทางไหนก็ตามเห็นแต่ความว่างเปล่าและก็ความเงียบครั้งที่3คุณวิสุทธ์บอกทนไม่ไหวอีกและก็เลยจะจับผิดให้ได้คราวนี้ไม่ไปนอนบนเตียงอีกนั่งคอยจังหวะมันเดินมาเคาะประตูโดยแอบมองอยู่ตรงช่องตามแมวดูความเคลื่อนไหวของมันเงีย บ, ยบแต่เหมือนมันจะรู้นะ มันก็เลยมาแบบเงียบๆแอบมองตรงช่องตามแมวเช่นกันเห็นเพียงซีกเดียวของใบหน้าก็จะดูว่าอ่ามันคือใบหน้าของผู้หญิงที่ยังเป็นสาวมีเขาความสวยอยู่มากเข้ามาสิแอบดูอยู่ทำไมพูดจบก็เปิดประตูออกไปทันทีเหมือนเดิมอีกแต่ไม่มีอะไรค่ะคุณผู้ฟังแต่พอมองไปทางประตูหน้าลิฟต์ก็เห็นผู้หญิงรูปร่างสูงอวบพอ ง, งามผิวขาวกาลังก้าวเข้าไปในลิฟต์ เท่านั้นเองค่ะคุณวิสุทธ์ก็เลยนึกถึงคำพูดของพนักงานโรงแรมคนนั้นเล่าให้ฟังก่อนหน้าที่เขาจะขึ้นมานอนคิดได้ดังนั้นขนลุกสู้เลยนะคะความที่ไม่เคยกลัวผีมันมีความรู้สึกกลัวขึ้นมาทันทีก็เลยรีบถอยหลังกลับเข้าไปในห้องปิดประตูลงกรอนทันทีค่ะและคิดว่ามีใครมาเคาะ ป, ประตูอีกก็จะไม่สนใจอีกและ คุณวิสุทธ์นอนไม่หลับทั้งคืนจนกระทั่งรุ่งเช้าของวันใหม่ก็เลยได้รีบไปถามพนักงานเสิร์ฟคนที่เป็นเพื่อนๆของอสมพิษนะคะซึ่งก็มีทั้งผู้หญิงผู้ชายถามว่าสมพิษเนี่ยมีรูปร่างหน้าตาแบบไหนและข่าวลือต่างๆนั้นมีจริงๆหรือเปล่า พนักงานเสิร์ฟทุกคนต่างก็ตอบเหมือนกันแขกที่มาพักก็พูดเป็นเสียงเดียวกันคือไปเคาะประตูห้องทั้งคืนและเห็นเป็นผู้หญิงเดินเข้าไปในลิฟต์เช่นกันเรื่องที่เกิดขึ้นก็เลยทําให้คุณวิสุทธิ์เชื่ออย่างสนิทใจแค่ะว่าผีเนี่ยมีจริงโรงแรมแห่งนี้ใครไปพักก็จะเจอะเจอกันอย่างท่วงหน้านะคะหากเมื่อใดที่คุณผู้ฟังมีโอกาสทั้งหลายได้ไปพักที่โรงแรมที่จังหวัดกาญจนบุรีก็ทําใจไว้ด้วยก็และกันค่ะเกิดไปพักที่โรงแรมนั้นข้าวก็ให้คิดซะว่าผีมันมาทักทายเยี่ยมยมเือนกกละก ผีตายแบบนี้เขาเรียกผีตายหงหล่อนอาจจะยังอ า, อาจจะตายก่อนเวลาที่พรมลิขิตกำหนดไว้ก็เลยต้องวนเวียนอยู่ภายในโรงแรมไม่ยอมไปผุดไปเกิดแล้วก็ยังไม่รู้นะคะว่าตัวเองเสียชีวิตแล้วได้ซ้ำก็เลยเที่ยวทักทายลูกค้าทั่วๆไปนั่นเองค่ะ